กระต่ายและเม่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่ามกลางทุ่งหัวผักกาดมีครอบครัวเม้นอาศัยอยู่พ่อและแม่ต้องออกเดินทางทำให้พี่น้องฝาแฝด ต, ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันตามลำพัง ต้องเติอมอีกหน่อยนะอืมต้องเติอมอีกหน่อยนะอืมต้องเติอมอีกหน่อยนะนี่ ไอ้เธอซุปต้องใส่อะไรอีกเนี่ยอืมต้องเติมอีกหน่อยนะรู้อะไรไหมฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะออกไปเดินเล่นจนกว่านายจะคิดออกว่าซุปของเราต้องการอะไรและฉันก็หิวมากนายต้องคิดให้ออกว่าซุปเราต้องการอะไรฉันทำไม่ได้ สูตรลับของแม่คืออะไรนะฉันจําไม่ได้นายน่าจะเก็บสูตรเอาไว้ฉันเก็บไว้แต่ฉันทํามันหายทําไมนายไม่เก็บไวล้ล่ะฉันเก็บไว้แต่ฉันทํามันหายทําไมนายไม่เก็บไวล้ล่ะฉันไปดีกว่าให้ตายสิเ อ, อ้ยฉันคิดถึงแม่จังเลยรีบกลับมาเร็วๆเถอะ เอาหัวผักกาดมาด้วยล่ะจะได้ทำสลัดได้แล้วเม่นก็ทิ้งให้พี่ชายของเขาทำอาหารไปส่วนตัวเองก็เก็บหัวผักกาดถัดไปจากทุ่งหัวผักกาดมีทุ่งหัวกระลาที่กระต่ายมาอาศัยอยู่ได้สองสามวันสวัสดีครับคุณกระต่ายคุณพึ่งย้ายมาที่นี่เหรอว่าไงเจ้าเตี้ย นั่นตลกมากเลยตลกมากนั่นตลกมากเลยตลกมากเลยนี่ทำไมถึงทำแบบนี้ โอ้เจ้าเตี้ยโกรธงั้นเหรอนายนี่มันสนุกจริงๆเลยเจ้าเตี้ยฉันชอบมากเลยพ่อกันทีนายมีปัญหาอะไรกันแน่ไม่มีอะไรฉันเป็นห่วงปัญหาของนายมากกว่านายหมายความว่าอย่างไงข้านายไง นายได้เดินบ้างหรือเปล่าหรือว่านายหกล้มประจําแล้วก็กลิ้งเหมือนลูกบอลมันต้องยากมากแน่ๆเลยที่ต้องอยู่กับขาพวกนี้คุณเออคุณลูกบอลเตี้ยเอาละพอได้แล้วเจ้าคนตัวใหญ่ออโอ้โอน่าสงสารจริงๆ นายทำอะไรชันด้วยขาเล็กๆของนายไม่ได้หรอกนายน่าจะลองเตะฉันด้วยขาของนายมันคือสิ่งที่ตลกที่สุดเลยล่ะ <c oughs> ฉันไม่สามารถเตะนายไ ด, ได้แต่ฉันสามารถชนะนาย ไ, ได้ในการแข่งวิง่ง <c oughs> ว่าไงนะที่นายถ้าฉันวิ่งแข่งเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยเจ้าเตี้ย <c oughs> ใช่ทำไมล่ะนายกลัวเหรอนั่นคือเรื่องตลก <c oughs> ฉันว่านายตลกดี ันนายก็กลัวนะสินายจะบ้านเหรอฉันเหรอที่กลัวนายฉันสามารถชนะนายร้อยตัวได้ในเวลาอันสั้นเลยละเห็นไหมล่ะก็ดีนี่แต่ไม่เร็วพอนายน่าจะฝึกต่อไปฉันจะกลับไปกินอาหารเที่ยงที่บ้านแล้วเราจะมาแข่งกันจากต้นแรกต้นนี้ของสนามจนถึงต้นสุดท้ายของสนามนู่นเลยอะไรนะ เจอการอีกเครื่องชั่วโมงโชคดีล่ะอมต้องเติมอีกหน่อยนะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยได้ประกาศมาไม้สำหรับสลัดซุปนี้ขาดอะไรไปนะเลืมซุปไปซะเถอะฉันมีการแข่งที่ต้องช น, นะอะไรนะ และเมนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ชายฝาแฝดได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาและกระต่ายกระต่ายร้ายมากแล้วนายจะชนะเขาได้อย่างไรฉันมีแผนเมนได้คิดแผนออก <c oughs> ครึ่งชั่วโมงที่ตกลงกันไว้ผ่านไปเมนและกระต่ายได้มาเจอกันที่ต้นไม้ นายมาตรงเวลาดีนี่ฉันชอบนายรู้หรือเปล่านี่คือการวิ่งระหว่างกระต่ายและนายเจ้าเตี้ยกลมแล้วก็ตัวสั้นด้วยฉันรู้นายไปทางนั้นฉันจะไปทางนี้ประจำที่แล้วกดนับได้ กระต่ายเจ้าเตี้ยกลมสั้นเตรียมตัวระวังกระต่ายเจ้าเตี้ยกลมสั้นเตรียมตัวระวังกระต่ายเจ้าเตี้ยกลมสั้นแล้วก็ไปคิดว่าจะชนะฉันได้เหรอนั่นมันโง่มากเลยฉันมองไม่เห็นเขาเลย นายมองไม่เห็นฉันเหรอนั่นนายมาถึงแล้วเหรอฉันคิดว่านายจะเร็วทาไมถึงช้าจังละ่ะเป็นไปไม่ได้แข่งกลับไปที่เดิมได้เลยนายที่สุดนายก็มาถึงฉันเป็นห่วงนายอยู่พอดีเ็เป็นไปไม่ได้แข่งกลับไปใหม่ นายวิชญาลงหน้าในทุกๆครั้งบางทีนายน่าจะต้องฝึกมากกว่านี้ตอนนี้ฉันเห็นนายสองตัวเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนายบอกว่านายสามารถชนะพวกเราร้อยตัวแต่นี่นายแพ้พวกเราแค่สองตัวเองนะพวกนาย เนาแกัหใช่แล้วนี่มันโกงกันนี่พวกเราขอโทษแต่นายร้ายมากนายรู้ไหมน้อยมีขาที่แข็งแรงเร็วแต่เหมือนว่าเรามีความพยายามและสมองมากกว่านะนี่เอานี่ไปเออพวกเราขอโทษ ด, ด้วยเดี๋ยว นี่จากสวนของฉันและฉันขอโทษพวกนายสองคนน่าสนุกที่จะเป็นเพื่อนด้วยนะฉันสัญญาว่าจะไม่ร้ายอีกพวกเราก็สัญญาด้วยพวกเราก็สัญญาด้วยอืมอืมอืมมอืมอืมนี่คือสิ่งที่ต้องการกะหลำ่ำ คือสูตรลับของแม่กะหล่ำอร่อยมากเลยสูตรลับของแม่คือกะหล่ำอย่างนั้นเหรอสูตรลับของแม่ก็คือกะหล่ำและพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เป็นเพื่อนกันทุกคนมีบางอย่างที่เราทำได้ดีและบางอย่างที่เราทำได้ไม่ดีดังนั้น พวกเราควรที่จะภูมิใจกับความสามารถของเราและไม่ควรเสียใจกับข้อด้อยของตัวเอง